ข้อความในมหาปริญพานสูตรในปาตลิคามิยาสูตรเนี่ยนะหรือปาตลิคามข้อความอันนี้มีอยู่ในอุทานก็มีในมหาปริญพานก็มีเนื้อหาก็เหมือนกันกล่าวถึงหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมืองนารันทาตามพระอัทยาัย คือหมายกับว่าอัธยาศัยของพระองค์เน่ยน้อมไปเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์แก่ชาวโลกเมื่อไม่มีเหล่าสัตว์พอที่จะตรัสรู้ธรรมในระหว่างนั้นพระองค์ก็จะจารีกไปไปที่อื่นที่ที่จะมีผู้ตรัสรู้ตามมีผู้ที่จะบรรลุตามรพระองค์ก็เลยตรัสกับพระนลว่ามาเถิดอนนลเราจะเข้าไปยังหมู่บ้านป่าตลิขาม ซึง่งจริงๆแล้วจากนาลันทนาไปปาตลีบทนี้ก็นั่งรถหลายชั่วโมงะนะก็ถือว่าไกลมากอะนะพระนนทก็ทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่สเสด็จดำเนินถึงหมู่บ้านปาตลีคามนั้นแล้วอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลีคามได้ยินข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จดำเนินถึงปาตลีคามแล้ว ครั้งนั้นแหละอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณด้านหนึ่งอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับอาคารรับรองเถิดก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปพักที่อาคารรับรองนั่นเอง คือเทพผลที่นิมนต์เนี่ยนะในหน้า367กล่าวว่าบทว่าปาตลิคามเมอาสวะถาคารังได้แก่เรือนพักสําหรับคนจรมาเล่ากันว่าในปาตลิคามสหายของพระราชาสองพระองค์เนี่ยนะมากันเป็นนิดคือหมายถึงว่าพระราชามาจากโน่นก็มาจากนี่ก็มาหมู่บ้านนี้เดือดร้อนประจำเพราะฉะนั้นต้องพาครอบครัวออกจากบ้านมาพักกันข้างนอกเนี่ยบางทีก็เดือนหนึ่งบางทีก็ครึ่งเดือน พราเกิดนึกว่าอยากจะมาพักบ้านนี้นะบ้านนี้น่าเรื่อนรมมันมีปัญหาเรื่องชายแดนเพราะเป็นบ้านระหว่างชายแดนเราเป็นหน้าด่านของเมืองราชเชิด ก, ก, กับเมืองภัยาลีมันพวกคนใหญ่คนโตก็จะมาพักประจํามนุษย์เหล่านั้นถูกรบกวนบ่อยๆเข้าบางทีก็เขามาก็ต้องเรียกว่าออกจากบ้านให้เขาพักกันนะให้ผู้หลักผู้ใหญ่พักกันเดือดร้อนเสมอเลยก็เลยคิดกันว่าในเวลาที่คนเหล่านั้นมากันเนี่ยนะ ก็มีที่อยู่ดังนี้แล้วก็สร้างศาลาใหญ่กลางพระนครกลางหมู่บ้านสร้างที่เก็บสิ่งของเอาไว้ส่วนหนึ่งสร้างที่อยู่อาศัยไว้ส่วนหนึ่งในศาลานั้นผู้คนเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วก็มองเห็นประโยชน์อย่างนี้ว่าแม้พวกเราก็พึงนำพระผู้มีพระภาคเจ้ามาให้พระองค์้เสด็จมาถึงสถานที่อยู่ของพวกเราด้วยพระองค์แล้ว วันนี้พวกเราจะอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ตรัสมงคลในที่พักก็เลยกล่าวกันอย่างนี้บทว่าเยนาวะสถาขารังความว่าได้ยินว่าผู้คนเหล่านั้นไม่รู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายปกติแล้วมีอัธยาศัยชอบป่ายินดีอยู่ในป่าพระองค์นี้ทรงประสงค์หรือไม่ประสงค์จะพักอยู่ในหมู่บ้านหนอ คืสงสัยอ่ะนะสงสัยว่าเอ๊ถ้าเราสร้างที่พักเสร็จอย่างนี้กลางหมู่บ้านอย่างนี้พระองค์จะมาประทับให้เราบ้างไหมก็เลยยังไม่ทันจัดแจงเรื่องเรื่องพักก็เลยบอกว่าพวกเราจะรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสอบถามดูก่อนแล้วค่อยจัดแจงในตอนหลังก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยดุสนียภาพก็คือขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาคารรับรองเธอนิมนต์ไปพักที่นั้นน่ะนะ พระองก็รับโดยการนิ่งครั้งนั้นแล้วอุบาสกชาวบ้านปาเตลิคามทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วก็ลุกจากที่นั่งถวยายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วเข้าสู่อาคารรับรองปูลาดสถานที่ปูลาดไว้ทุกแห่งแล้วปูอาสนะทั้งหลายเอาไว้จัดตั้งหม้อน้ํายกประทีปน้ํามันขึ้นตั้งไว้ แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณด้านหนึ่งอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านป่าตลิคามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาคารรับรองข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูลาดสถานที่ปูลาดไว้ทุกแห่งแล้วปูอาสนะไว้แล้วจัดตั้งหม้อน้าไว้แล้วยกประทีปน้ามันตั้งขึ้นไว้ บัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพิจารณากาลอันสมควรเถิดพระเจ้าข้าดังนี้ครั้งนั้นแหลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงถือบาทและจีวรเสดจดำเนินไปยังอาคารรับรองพร้อมด้วยพระภิกสุสง์ทรงล้างพระบาทแล้วเสดเข้าอาคารรับรองประทับนั่งพิงเสากลางโปรงทรงผินพระพักไปทางทิศบุรพา แม้ภิกษุสงก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปสู่อาคารรับรองแล้วนั่งพิงผนังด้านทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคือหันหน้าไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเองแม้อุบาสกทั้งหลายชาวบ้านป่าตลิขามก็พากันล้างเท้าแล้วเข้าไปสู่อาคารรับรองแล้วนั่งพิงผนังด้านตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือหันหน้าไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันก็คือพระองค์ก็เข้าไปพักในอาคารเนี่ยนะ อาคารนี้ก็ถือว่าเป็นศาลาโดยปกติดูสังเกตดูก็เหมือนกับเป็นโรงกลมแต่ว่าใหญ่มากเป็นคล้ายๆโดมใหญ่โดมใหญ่เป็นที่พักซึ่งพระองค์ก็ประทับนั่งตรงเสากลางพอดีเลยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพระพิสูจนทั้งหลายนั่งอยู่ทิศตะวันตกหันหน้าไปทิศตะวันออกอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ด้านทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนนะ หลังจากนั้นหมู่บ้านนี้ปกติแล้วเป็นคนที่มีการรักษาศีลมากนะเป็นหมู่บ้านที่รักษาศีลมากท่า น, นพระองค์เห็นว่าศีลกษาเนี่ยเหมาะกับประชุมชนเหล่านี้ะนะคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีของเขาถ้าเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็แสดงให้ศรัทธาของเขายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเขามีศีลอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็ฟังเรื่องศีลแล้วก็สบายใจแล้วก็มีความสุขยินดีในการ ฟังธรรมนนพระองค์ก็แสดงธรรมตามอัธยาศัยของเขานะเพราะเพื่อจะได้เกิดความปราบปลื้มปีติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่แสดงธรรมแล้วรู้ว่าเมื่อแสดงจบอะไรจะเกิดขึ้นเรียกว่ารู้หมดอ่ะนะไม่ใช่ว่าแสดงไปเรื่อยเปื่อยไม่ คือกำหนดหมายก็ว่าถ้าพูดอย่างนี้ผลออกมายังไงถ้าทำอย่างงี้ผลออกมายังไงคือรู้สูตรรู้ทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะหนึ่งคำพูดไปแล้วมีผลต่อจิตใจกเข้าอย่างไรปัจจุบันอย่างไรต่อๆไปอย่างไรชาตินี้อย่างไรชาติหน้าต่อๆไปอย่างไรจากพุทธพจน์ของพระองค์หนึ่งคำออกไปเนี่ยพระองค์รอบรู้ขนาดนั้นเนี่ยนะฟันพระองค์จึงรู้ว่าศีลนี่แหละเหมาะกับอัธยาศัยของอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านปาตลิคาม ทั้งนั้นและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับอุบาสกทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคามว่าดูก่อนเครือหา บ, บดีทั้งหลายโทษของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีห้าประการอ่นนะหมายว่าถ้าทุศีล น, นะคนทุศีลที่ศีลวิบัติศีลขาดบ่อยๆอ น, นะทุศีลบ่อยๆก็มีโทษห้าประการห้าประการเป็นไนะดูก่อนเครือห บ, บดีทั้งหลายบุคคลทุศีลปราศจากศีลในโลกนี้ ประสบความเสื่อมโภคะเป็นอันมากเพราะมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่งของศีลวิบัติของบุคคลทูตศีล น, น, นะคนทูตศีลเนี่ยอันหนึ่งก็คือเสื่อมทรัพย์เสื่อมโผคะทั้งหลายข้อที่สองดูก่อนเครือข บ, บดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกกิติศัพท์อันชั่วหมายคือว่าชื่ อ, ช, อ, ช, อ, ช, อชั่วชชื่อเสียงชั่วชเนี่ยนะเกลื่นความชั่วโชวยไปไกลเหงือนกันของบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลก็อื้อเฉาออกไป นี้เป็นโทษข้อที่สองของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลดูก่อนเครหาบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลทุศีลผู้ปราศจากศีลเข้าสู่บริษัทใดๆคือขัตยะบริษัทก็ดีพราหมณะบริษัทก็ดีเครือาบดีบริษัทก็ดีสมณบริษัทก็ดีเป็นผู้ไม่องค์อาจควยเขินเข้าไปนี้เป็นโทษข้อที่สามของศีลวิบัติของบุคคลผู้ ทุศีน์ทวนความทุสีนเนี่ยเข้าไปที่ไหนก็แค่เรียกว่าวัวสันหลังหวะนะเข้าไปตรงไหนก็แหมระแวงตลอดสะดุ้งตลอดผวาตลอดนีเ่เขาจะมีใครยกเรื่องนี้เรื่องประเด็นของเราหรือเปล่าเนาะบางั้นนั้นเวลาที่คนอื่นเขาคุยเรื่องอื่นมันจะเข้าเราหรือเปล่าเนี่ยนะก็คือขนพองสยองกล้าวหรือว่าสะท้านในใจบ่อยๆเนี่ยนะแ ค, ค, ค, นะค่เรียกว่าขั้นคลั่งผวานะแค่เรียกได้ว่าคุยเขินควยเขินก็คือผวานะสะดุ้งเลยบางนัน ข้อต่อไปดูก่รเครือหาบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลเป็นคนหลงทำกาละหมายคขาว่าเมื่อตัวเองไม่ได้รักษาศีนเอาไว้นึกถึงอะไรเวลานึกก่อนตายก็นึกถึงแต่ปาณาติบาตนึกถึงอาทินนาทานกาเมสุมิชฌาจานนึกแต่อกุศลกรรมทั้งหลายที่ตนได้เคยกระทำมาอันนี้เป็นโทษข้อที่สี่ของศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล ดูก่อนคือาบดีทั้งหลายยังมีข้ออื่นอีกบุคคลผู้ทุศีนผู้ปราศจากศีนขันร่างกายแตกภายหลังมรณนะจะเข้าไปถึงอบายทุกติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษข้อที่ห้าของสีและวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนเะนไหนะันบุคคลผู้ทุศีนนี่ก็ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็อบายอยู่แล้วมันเวลาเราเห็นสัตว์ในอบายเห็นเดรัจฉานทั้งหลายเห็นหมูนกหมูเนื้อเห็นสุนัขเป็นต้นก็รู้ได้เลยว่าพวกนี้อดีตเคยทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะเขาเหล่านี้ในะอดีตทุศีลเป็นแน่บุคคลเหล่าใดที่ทุศีลบุคคลเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบากปรกรรมที่ทำเอาไว้ก็เป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตและ นรกนั่นเองดูก่อนเรื่องหับดีทั้งหลายโทษห้าประการของบุคคลผู้ทุศีลผู้ปราศจากศีลเหล่านี้แลพูดถึงโทษของศีลวิบัติในอัตถกาถากล่าวว่าบทว่าทุศีโลก็คือผู้ไม่มีศีลศีลวิปปโนก็คือศีลวิบัติหมายาว่าสมาทานแล้วก็แตกสลายหรือไม่ได้สมาทานอะไรเลยข้อแรกก่อนบอกว่า ถ้าศีลวิบัติทำเหตุให้เป็นเหตุให้เสียพวกขซั์หรือเสียซัพ์เพราะความประมาทเป็นเหตุอธิบายว่าในสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเคราคาระวะและบัญญชิตจริงอยู่เครือข่ายทั้งหลายที่เลี้ยงชีวิตด้วยความหมันในศิละปะไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมคือทำเกษตรก ร, รหรือว่าวณิชกรรมกระทำการค้าขายถ้าเกิดพลังเผลอไปทำปานาติบาตเป็นต้น เช่นเกิดไปฆ่าใครสักคนหนึ่งขึ้นมาที่มันผิดกฎหมายหรือไปชอบไปโกงใครขึ้นมาไปผิดกามีแห่งใดแห่งหนึ่งไปทําชํารา ข, ข่มขืนเป็นต้นหรือว่าไปมุสาวาศ น, นะพูดให้คนอื่นเขาเสียหายไปดื่มสุราเกะ ก, กะระรามชาวบ้านเป็นต้นเนี่ยนะเสียหายแน่เพราะไม่สามารถจะทำศิลปะเหล่านั้นนนั้นให้สําเร็จตามการการงานของตัวเองก็เสียหายเมื่อการงานตัวเองเสียหายรากฐานของทรัพย์สินก็พินาศ มันห ล, ลายๆเรื่องนำมาแต่ความเสียหายนำมาแต่ความเดือดร้อนนำมาแต่ความทุกข์ความยากความลําบากนั้นก็มีแต่ความกระทําความคับแค้นมันโทษของกระทําปานาติบาตอธินาทานทำให้เสื่อมจากโภคะกองใหญ่เพราะอํานาจแห่งโทษเช่นถูกฟ้องร้องถูกปรับถูกเข้าเรือนจําถูกกับขัดขวางในการประกอบอาชีพเป็นต้นในที่สุดก็ เสื่อมสิน้นพันความทุสินแค่ครั้งเดียวเนี่ยแม้กระทั่งสังคมครอบครัวก็วุ่นวายอย่างสามีไปผิดกาเมที่อื่นกลับมาเนี่ยนะบ้านก็มีปัญหาล้เนี่ยนะไม่ต้องทํามาหากินกันต่อไปแล้วหรือภริยาไปมีปัญหากับชายอื่นเข้าก็ครอบครัวก็ไม่ต้องอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเพันสินทุกข้อนํามาซึ่งภาระนํามาซึ่งปัญหาหรือไม่ก็เมาสุราแล้วขับรถไปชนคนตายเนี่ยนะมันก็ไม่มีจบมีสิ้นอ่ะนะพันทุกข้อเนี่ยนะถ้าความทุสินเนี่ยทำให้เสียทรัพย์ ทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดทรัพย์ที่เกิดมาแล้วที่มีมาแล้วก็มีแต่หมดสิ้นหมดไปเนี่ยนะนั้นปัญหาที่มีการฟ้องร้องมีการเข้าคุกเข้าตารางเป็นต้นก็ไม่ใช่เป็นผลของศีลเคยได้ยินไหมรักษาศีลอย่างดีแล้วเขา้าเข้าจับคดีทั่วรักษาศีลเลยเข้าคุกเลยเพราะแกรักษาศีลแกต้องเข้าคุกไม่เคยได้ยินเพราะโทษการรักษาศีลเนี่ยมีคุณอย่างนี้แหลแต่ทุศีนี่สิเดือดร้อนทั้งปัจจุบันด้วย เดือดร้อนในชาตินี้ด้วยตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมสิ่งแวดล้อมก็เดือดร้อนเดือดร้อนทั้งชาตินี้เดือดร้อนทั้งชาติต่อๆไปนั่นเพราะผลของความทุศีลบรนประชิตธรรมมาบวชมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปทุศีลขึ้นมาจะเป็นอย่างไรเมื่อทุศีลมาแล้วก็ถึงความเสื่อมจากศีลตัวเองก็เสื่อมจากจตุปริสุทธิศีนเสื่อมจากอริยทรัพย์ของในพระพุทธศาสนาคือศีลเสื่อมจากพุทธพจน์ นะครับเพราะเขาบอกว่าผู้ที่เรียนธรรมะเนี่ยถ้าเกิดไปทุศีลขึ้นมาเนี่ยนะมันเลอะเลือนหมดเสียหายหมดเลยเนี่ยนะจำไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่ได้ระลึกก็ไม่ได้เหมือนที่เราว่าคนเคยเคยเค ย, เคยมีอ่ะนะเคยมีพุพทธพจน์เคยมีความรู้เคยมีความทรงจําหนักห น, นักเข้าบอกระลึกอะไรไม่ได้จําจอะไรก็ไม่ได้จำนะจำโมอะไรก็ไม่ได้ท่านโมยังระลึกไม่ได้ต่อวันต่อวันแล้วที่เหลือจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะว่าเสื่อมจากฌานเป็นต้นเสื่อมจากสมถะและ วิปัสนาเสื่อมจากอริยรัพย์จเสื่อมจากศรัท ธ, ธาศีลหิริโอตปะสุตะจากะแล้วก็ปัญญาหรือว่าเสื่อมจากโพธิปัจิยธรรมเพรันบันปชิตถ้าหากว่าประมาทไปทุ่ศีลเข้ามามีแต่ความเสียหายทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพ